เพราะไม่มีการเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนั่นแหละสมณะคือผู้รู้ทั่วถึงจึงไม่มีสุพัต t ะก็ภิกษุเหล่านี้พึงอยู่โดยชอบโลกจะไม่พึงว่างจากผ้าหันนั้งหลายคำว่าอยู่โดยชอบอธิบายว่าในหน้าสี่ร้อยสามสิบหกนับขึ้นประมาณแปดบรรทัดบทคำว่าสัมมาวิหารยง สัมมาวิหารยมที่แปลว่าอยู่โดยชอบอ่ะถ้าพิกษุอยู่โดยชอบสัมมาตัวนั้นอ่ะชอบแปลว่าไม่รับอยู่ตามใจชอบนะชอบตัวนั้นไม่ได้แปลว่าอยู่ตามใจชอบแต่แปล่าถ้าหากว่าอยู่อย่างถูกต้องคําว่าอยู่นะวิหารติเนี่ยนะแต่เน้นพิเศษคืออริยวิหารถ้าอยู่ด้วยอริยวิหารอยู่อย่างถูกต้องในอริยวิหารคือการเจริญโพธิปักจยธรรม ท่านบอกว่าพระโสดาบันบอกฐานะที่ตนบรรลุแก่ผู้อื่นทำผู้อื่นให้เป็นพระโสดาบันอันนี้แรลว่อยู่อย่างถูกต้องคือพระโสดาบันเนี่ยนะบอกว่าการเป็นพระโสดาบันนั้นคืออะไรพระสกะทาคามีก็บอกฐานะที่ตนบรรลุแก่ผู้อื่นเพื่อให้เป็นพระสกทาคามีพระอนาคามีก็บอกฐานะที่ตนบรรลุแก่ผู้อื่นเพื่อให้เป็น พระอนาคามีพระอรหันต์ก็บอกฐานะที่ตนบรรลุกแก่ผู้อื่นเพื่อให้เขาได้เป็นพระอรหันต์อันนี้แหละเรียกว่าอยู่อย่างถูกต้องสัมมาวิหารยะเนี่ยนะสัมมาวิหารยงอยู่อย่างถูกต้องตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดคือผู้ที่เจริญมรรคแปดแล้วบอกให้ผู้อื่นดํารงอยู่ในมรรคแปดค่ะอย่างปัจจุบันเนี่ยบอกเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเจริญมรรคแปดหรือไม่มรรคแปด พวกเราทั้งหลายยุคปัจจุบันจะบรรลุได้ก็พวกธรรมเวเนยอยู่โดยธรรมอยู่โดยคำสอนพระองค์เห็นแล้วว่าในยุคหลังๆเนี่ยนะจะไปหาผู้ที่แนะนำเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นก็หาเอาตามคำสอนคำสอนบอกอยังไงนั่นแหละคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะก็ไล่ดูสัมมาทิฏฐิรู้อะไรรู้อริยสัจสสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะสสัมมาวาจาว้นจากวจีทุจริตส มันกลุ่มใดที่ไปกับวจีสุจริศเสีไม่ใช่แน่นอนอถ้ามีวจีสุจริตใช่สัมมากัมมันตะเป็นไหมสัมมาอาชีวะเป็นไหมสัมมาวายามะสั ม, มาประธานไหมสัมมาสติสติประฐานสี่ไหมสัมมาสมาธิเป็นไปกับฌานสี่เป็นต้นไหมหลังแต่ที่สําคัญสัมมาทิฐิข้อที่หนึ่ง เป็นไปเพื่อรู้อริยศาสตร์สีได้ไหมและอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเนี่ยประชุมกันได้ไหมเจริญมรรคแปดได้ไหมถ้าเจริญตามมรรคมีองค์แปดบอกกล่าวให้ผู้อื่นเจริญตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนั่นแหละว่าอยู่อย่างถูกต้องถ้าอยู่อย่างถูกต้องด้วยอรอิย 8, มรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดปฏิบัติตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และบริบูรณ์โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์แน่นอน ปัญหาก็บอกอ้าวนี่ไงพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้โลกไม่ว่างจากภาหารเพราะฉะนั้นาศาสนาจะเสื่อมจะเป็นไปได้อย่างไงบอกมรรคแปดเนี่ยนะก็อย่างที่พระองค์บอกว่าพระนิพพานมีอยู่ข้อปฏิบัติเพื่อพระนิพพานมีอยู่แล้วใครปฏิบัติแล้วออนะต้องมีแหละนะมีเ อ, อมีเนี่ยเชื่อ เพราะว่านางวิสาขาก็ยังไม่ปรินิพานพระอนาถะก็ยังไม่ปรินิพานพระอนาคามีที่อยู่ในชั้นสุดทาวาสเป็นต้นเนี่ยนะผ้าฐันที่พรมชั้นสุดทาวาสยังมีอยู่บอกไปอย่างนี้ใช่แล้วเป็นมนุษย์เหรอเนนะเป็นมนุษย์ยนะปนนษยไปหาที่ไหนก็คงจับฉลากไม่ได้ละมั้งเนี่ยนะจับฉลากผู้โชคดีแบบอะไรนะ เสียงดวงเสียงชะตาแบบที่เรียกว่าระบบทางโฆษณาสมัยใหม่อาจจะเป็นไปได้แต่ในทางคําสอนบอกว่าต้องเป็นไปตามอารยมารอันประกอบไปด้วย อ, องค์แปดซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะบางคนก็บอกเอ๊แล้วจะไปนับถือได้ที่ไหนอะไรก็ก็พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไงถ้าจะนับถือไหนๆก็จะนับถือพระอรหันต์ก็นับถือยอดของพระอรหันต์ไปเลยก็คือใครคือพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละสุดยอดของ ะ่าหาันถ้าใครบอกว่าตัวเองเป็นผ่าหาันบอกว่าเป็นไปตามอรหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจารณนะสัมปันโนสกุโตโลกวิทูถ้าเป็นอย่างเงี้ยใช่เลยบอก้อยคำสอนคนนั้นดีเหลือเกินบอกสวากขาโตภคะวตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเป็นไปตามนั้นไหม เอาแล้วสาวกของพระองค์ปฏิบัติดีปฏิบัติตรง ป, ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไหมปฏิบัติคู่ควรแก่โสดาปฏิมัสสกธ า, าคามิมักอนาคามิมักและอรหัตตมักไหมถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าแนะนําทุกประการโลกไม่ว่ากับผ้าอันแต่ถามว่าแล้วปัจปจุบันล่ะปัจจุบันด่าก็สุดแท้แต่อะไรนะก็ อ, อยากเกิดมาช้าทําไมอะ ที่จริงตอนนั้นก็ไม่ได้ปรินิพานอะไรหรอกแต่ก็มาดูเข้าวัดฟังธรรมรู้เปล่าเนาะหลายท่านวันยังงงเอ๊ตอนที่พระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่เราเคยคิดจะไปเฝ้าพระองค์บ้างหรือเปล่านะตอนนั้นอ่ะนะบางคนก็บอกว่าอ้าวก็ตอนเนี้ยก็ดูชาตินี้กันแล้วกันเนี่ยนะคิดจะขหันหน้าเข้าหาพระัตนะตรัยเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่ก็ดูเอากันล้วกันเนี่ยนะไอหันหน้าเข้าหาแล้วก็เอาใจเข้าหาแล้วได้เท่าไหร่ได้กี่ชั่วโมงคิดถึงพระพุทธเจ้ากี่ชั่วโมงแล้วพระพุทธเจ้าบอกอะไรเราบ้าง ก็ดีน่าอะไรงี้ยแล้วก <ug> ็เออตกลงพระพุทธเจ้าบอกอะไรเราบ้างอย่างเงี้ยนะบางคนเนี่ยนัศึกษาพระธรรมเนี่ยบางทีหลงประเด็นเหมือนกันนะบอกเขานับถือพระพุทธเจ้าอะไรพระพุทธเจ้าบอกอะไรคุณบ้างล่ะเออเนาะอะไรงี้ยนะบางทีนะ่เอาไปเอามาก็ไม่ใช่คําของพระพุทธเจ้าสักหน่อยคิดขึ้นเองทั้งนั้นเลยนะบางทีก็เอาคําของเพื่อนเขาว่ามาคนนั้นเขาว่าไอเขาไหนก็ไม่รู้ตอนแรกบอกนับถือพระพุทธเจ้าอยู่ดีๆตอนหลังเขาว่าเขาว่า เนี่ยคนนั้นเขาบอกให้เราทําอย่างนี้บอกให้เราทําอย่างนี้อ้าวแล้วพระพุทธเจ้าว่าอย่างไงก็ก็ไม่รู้เหมือนกันอกโอ้ยฟเฟื่กรรมนะทำบาปกรรมอะไรมานาะทําไมขนาดนั้นเนี่ยนวะันเราก็มาดูว่าพระพุทธเจ้าบอกเราว่าอย่างไงพยายามจําเอ้นี่สิ่งที่เราคิดอยู่เนี่ยเป็นไปตามคําสอนของพระองค์อยู่หรือเนี่ยนะแม้กระทั่งในโลกนี้คนที่ทํางานรับใช้นายเนี่ยนะเขาก็ยังถือเอาคําของเจ้านายเป็นหลักเพราะว่าถ้าไม่เป็นไปตามคําของนายก็ถูกปลดได้ง่ายๆ เนี่ยนะใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันสําหรับคนที่ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเนื้อกระพาะเจ้าเนี่ยนะพุทธสหส อ, อะไรนะที่สวดกันเมื่อกี้สามิกิสรวะเนี่ยนะพุทโธโยสัพพานินางสารนางแค่มุตตะมังปัทมาลุสติฐานนางวันธามิตงังเซเรนหังเนี่ยนะอันนัพุทธสหสมินะอะไรนะเมื่อกี้ว่าไงนะ พุชพลัะไรลืมเลยนะนะพุทธสาพุทธสาหัสมิทาโสวะเนี่ยนะหรือทาศีวะเนี่ยนะข้าพเจ้าเป็นทาตของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเนี่ยนะเหนือนะข้าพเจ้าเพราะ ถ้าถ้าเรายังมีพระพุทธเจ้าเป็นนายอยู่บอกเจ้านายเราว่าอย่างไงบ้างถ้าจะบอกว่าในายฐานะเราเป็นทาสคนหนึ่งเนี่ยนายเขาบอกว่าอย่างไงะคนนั้นเขาว่าอย่างนี้มาคนนี้เขาว่าอย่างนั้นมาบอกอแล้วนายคุณว่าไงก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยคนโน้นเขาว่ามาแต่อย่างนี้ก็อืหน่าองสารเหลือเกินเนี่ยนะมันก็ต้องมาพยายามทบทวนว่านายของเราหรือพระพระเจ้าของเราคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ เนื้อกว่าเจ้าธรรมดาว่างั้นเถอดดินเนื้อกว่าเจ้าที่เป็นมนุษย์คําว่าเจ้าแปลว well, ่ากษัตริย์หรือผู้ที่อยู่เชื้อพระวง์เรียกว่าเจ้าเช่นถ้าเป็นเจ้าที่เป็นเทวดาเรียกว่าเทพเจ้าถ้าเป็นเจ้าผู้ตรัสรู้เรียกว่าพระพู้ธเจ้าเนี่ยนะมันหรือถ้าเป็นพระสงฆ์ทั้งหลายเขาเรียกว่าพระผู้เป็นเจ้าว่างั้น ก็นับถือกันพระคุณเจ้าพระผู้เป็นเจ้าอะไรก็ว่ากันไปแต่ทีนี้ในฐานะที่เรานับถือพระพุทธเจ้าเป็นทาทของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเนื้อข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรและจําได้จําอะไรบ้างได้ที่เป็นคําของพระพุทธเจ้าเอาไปเอามาบอกโอ้ยศึกษาพระพุทธศาสนามานานตกลงแล้วพระพุทธเจ้าบอกอะไรอ่านะไม่รู้ถ้าอย่างนี้ก็ คนที่เรานับถืออาจจะไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วละเนี่ยนะมันก็ต้องพยายามทบทวนตรงนี้ให้ชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าบอกอะไรเราและบอกให้เราทําอะไรแล้วบอกให้เราเจริญอะไรเจริญอะไรเพื่ออะไรและทําไมเนี่ยนะแล้วเราดีอย่างไรเช็คให้มันดีๆตรวจสอบให้ในดีเนี่ยนะเพราะว่าผิดถูกรับผิดชอบด้วยใจของเรานี่แหละปฏิสนธิในสุขติหรือในอบายก็ดูจากใจของเรานี่แหละอย่าไปเชื่อคนอื่นให้มากนักเนี่ยนะสำรวจตรวจตราเนี่ยนะ คือถ้าจะเชื่อก็ขอเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่ายังไงคนอื่นอย่างมากก็พูดตามว่างั้นเถอะพูดให้เราเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าถ้าพูดแล้วเราไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็ไปอ่านครับพระไตรปิฎกเถอะเนี่ยนะเพื่อศรัทธาจะได้เพิ่มมากขึ้นเพื่อจะได้ทําที่สุดแห่งทุกขได้เนี่ยนะอันพุทธพจน์ก่อนที่พระองค์ปรินิพานเนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากแต่ที่จริงแล้วความสําคัญเนี่ยแรกตรัสรู้กับก่อนปรินิพานความสําคัญเสมอกันเราจะเห็นว่า ท ร, รมาจากกับประวัตนาสูตรกับข้อความในมหาปริณิพานสูตรไม่ต่างกันเลยพระองค์บอกพระอัญญากุลธัญญาว่ามัชิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลางอันประกอบไปด้วยองค์แปดนี่แหละที่ตถาคตเนี่ยนะได้ตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งทำจักสุทมยานทำปัญญาวิชาเอ่อเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเนี่ยพระองค์บอกว่ากับ พระองค์บอกกับสุภัทภปริพาชกก็เหมือนกันเรื่องเดียวกันก็คือบอกอารยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดเพราะฉะนั้นหัวกับท้ายเน้นย้ำอยู่เส ม, มอว่าอารยมรรคอันประกอบไปด้วยองคแปดพันข้อความตอนกลางทั้งหมดที่ทพระองค์บอกสอนก็สอนให้เจริญอารยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดพันเรายังปฏิบัติตามอารยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดอยู่หรือทิฏฐิของเราเราทุกคนบอกว่าเราเป็นคนที่มีทิฏฐิ ทิฏฐิของเราเป็นไปตามมรรคแปดไหมขออภัยทิฏฐิของเราเป็นไปตามอริยสัจสี่ไหมเราบอกเรามีความตรึกนึกคิดคำที่เราตรึกเป็นไปตามเป็นไปตามสัมมาสังกัปปะไหมคำที่เราพูดพูดเว้นจากวาจีทุจริตอยู่ในวจีสุจริตอยู่ไหมสิ่งที่เราทำเป็นเว้นจากกายทุจริตปฏิบัติตามกายสุจริตอยู่ไหม อาชีพที่เราทำเนี่ยนะเป็นไปกับกายาสุจริเตวจีสุจริตอยู่ไหมความเพียรของเราเป็นไปเพื่อละบาปเจริญบุญไหมสติของเราดํารงมั่นในสติปัฏฐานสี่ไหมใจของเราสงบหรือว่าฟุ้งซ่านเนี่ยเราก็เช็กดูเนี่ยนะควรจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหรือหรือไม่ควรจะเป็ น, นก็สำรวจตรวจสอบบอกว่าแหมมันจะเป็นพระโสดาบันเนี่ยยากเอางี้และกันลดเกรยียดตัวเองมาเหลือเป็นผู้ถึงสารณครก็แล้วกันเนี่ยนะ ถ้าไม่ได้เป็นพระโสดชเอคดูแล้วแหมความเป็นพระโสดาบันโลกุตราชรณคมเนี่ยยากแท้งั้นเอาโลกิยะสารณคมไปก่อนก็แล้วกันพุทธังสารนังคัจฉามิเนี่ยนะเราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคพระองคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะทั้งที่พระองค์นั้นน่ยพระพุทธเจ้าแม้ดับขันปริณิพานพระแล้วพระองค์นั้นเน่ยเป็นสารณะเหมือนกันเราทั้งหลายถึงแล้วพระองค์นั้นน่ยพระพุทธเจ้าพระองค์นี้แหละที่ปริณิพานนานแล้วว่าเป็น สารณะพยายามเกาะตรงนี้เอาไว้ให้ดีเรียกว่าเกาะชายชีวรพระพุทธเจ้ า, าไว้ให้ดีนะแต่ที่เรียกกามาชายชีวรหมายถึงอริยมรรคพี่พระองค์ปฏิบัตินั่นแหละถือเอาตรงนั้นเป็นหลักเราก็จะได้ตรัสรู้ตามในอนาคตอย่าลืมว่ากุศลจิตที่เรามุ่งตรงไปหาพระพุทธเจ้ากุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้เนี่ยนะจิตที่เลื่อมใสใจที่น้อมไปหาพระรัตนตรัย ใจเหล่านั้นช่วยให้พ้นทุกข์ได้ของเราก็คงไม่ชั่วช้าเลวร้ายเท่ากับพระเทวทัตพระเทวทัตเอากระดูกคางอุทิศแด่พระพุทธเจ้าพระเทวทัตก็จะได้เป็นพระปเจกับพระพุทธเจ้าในอนาคตเราเองก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ประมาทเนี่ยนะไม่ประมาทในการปฏิบัติดีด้วยกายวาจาใจปฏิบัติไปตามที่พระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าสอนเราเองก็สามารถทําที่ สุดแห่งทุกข์ได้เนี่ยนะซึ่งสําคัญมากเลยก็คือว่าข้อปฏิบัติอันประกอบไปด้วยองแปดแต่อริยมรรตอันประกอบไปด้วยองแปดนั้นถือว่าพระองค์บอกอริยสัจข้อที่เท่าไหร่ข้อที่สี่ 4. อริยสัจมีสี่ประการทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์และอริยมรรตอันประกอบไปด้วยองแปดซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์หรือปรารถุธรรมเป็นที่ดับทุกข์เนี่ยนะ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปเนี่ยที่กําหนดรู้ทุกละสมุทัยธรรมนิโรธให้แจ้งเจริญให้ได้ระดับโสดาปติมร์เจริญให้ได้ระดับเติบโตขึ้นเป็นสกทาคามีมร์เป็นอนาคามีมร์และเป็นอรหัตตมร์ถ้าเจริญได้เท่าไหร่นั่นแหละนะครับนี้เบื้องต้นเราก็คงถึงพระองค์ผู้เป็นเจ้าของธรรมเหล่านี้ว่าเป็นสราระก่อนแล้วที่เหลือว่าพระธรรมเหล่านั้นบอกให้เราเจริญอย่างไรแล้วใครเป็นเป็นเหมือนกับพี่เลี้ยง คือพระริจเจ้าทั้งหลายเป็นเช่นกับพี่เลี้ยงเขาเรียกว่าเป็นผู้พี่พระพุทธเจ้าก็ให้พระสาวกของพระองค์เรียกพระสารีบุตรว่าเป็นพี่เรียกว่าพี่ชายเนี่ยนะเรียกว่าเป็นพี่คนโตว่างั้นเน่ยเป็นพี่คนที่ตรัสรู้ก่อนก่อนก็นับว่าเป็นพี่เนี่ยนะเพราะพระองค์ถือฐานะเป็นบิดาเนี่ยนะบรผู้ที่ตรัสรู้ตามเรียกว่าโอรสเกิดจากอกคือคําสอนที่พระองค์ได้ตรัสรู้มาเนี่ยนะ ทีนี้ อ, อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดซึ่งพระองค์ตรอย้ําว่าก่อนที่จะพระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าดูก่อนสุพัทะเรามีวัยยี่สิบเก้าปีตอนที่อายุยี่สิบเก้าปีพระองค์ได้ออกบวชสาระของการบวชก็บวชแล้วบอกว่าอะไรคือกุศลอะไรเป็นกุศลสแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลกุศลตัวนี้ไม่ใช่กุศลธรรมดานะแต่หมายถึงสแสวงหา โสดาปฏิมัคสกทาคามิมัคอนาคามิมัคและที่สำคัญคืออรหัตตมัคมันเราบวชแสวงหาว่าอะไรคืออริยมัคประเด็นก่อนหน้านี้พระพุทธเจ้าพูดอริยมัคมาตลอดพันแสวงหาว่าอะไรคืออริยมัคกุศลกุศลสูงสุดเลยคืออริยมัคเราบวชและแสวงหาว่าอะไรคือโสดาปฏิมัคอะไรคือสกทาคามิมัคอะไรคืออนาคามิมัคและอะไรคืออรหัตตมัคเนี่ยนะ เพราะอาหาตธรรมนี่แหละเป็นตัวที่ชำรกอวิชชาเป็นตัวที่กำจัดอวิชชาได้เนนะเราก็บวช ต, ตั้งอายุเท่าไรยี่สิบเก้าปีเมื่อเราบวชแล้วถ้าแต่วันที่บวชมาจวบก่อนปรินิพานบอกว่านับแล้วในห้าสิบเอ็ดปีเพราะพระองค์มีอายุแปดสิบปีใช่ไหมแปดสิบปีเนี่ยนะครองคารวาสยี่สิบเก้าปีพันถือว่าบวชทั้งหมดห้าสิบเอ็ดปีใช้ชีวิตในเป็นนัก บ, บวชเนี่ยห้าสิเอ็ดปี สมณะคือพระโสดาบันพระสะกทาคามีพระนาคามีและพระอรหันต์เป็นไปในประเทศเครื่องนำออกไม่มีภายนอกในธรรมวินัยนี้เลยหกปีที่พระองค์แสวงหาคณาจารย์ทั้งหลายพระองค์ก็ไม่เคยพบเห็นผู้ที่เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดตลอดระยะเวลาเมื่อพระองค์ตรัสรู้ข้อปฏิบัติที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่สอนอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8พระองค์ก็ไม่เคยพบเห็นเลยเนี่ยนะ พระ อ, องค์ไม่เคยพบเห็นว่าผู้ใดเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดเพราะฉะนั้นลัทธิอื่นๆเท่ากับพระ อ, องค์บอกว่าลัทธิของครูอื่นที่ท่านพูดมาตั้งกต่แรกปุรณกัสปะมัคลิลโคสารอชิตเกษกํัพลปะกุทากกัจยาณะสันชัยเวรัตะบุตรนิครณาตบุตรท่านทั้งหมดเหล่านั้นไม่ได้เป็นพระโสดาบันเลยไม่ได้เป็นพระสกท า, าคาเมีเลยไม่ได้เป็นพระนาคามีเลยไม่ได้เป็นพระอราหันเลยเพราะอะไร เพราะว่าไม่มีผู้ที่ปฏิบัติตามอริยมรักอันประกอบด้วยองค์แปดเลยไม่ประกอบด้วยสัมมาสัมมาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาส ม, มาธิเลยไม่มีการกำหนดรู้ทุกขละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งแล้วก็เจริญอริยมรักเลยเมื่อเมื่อไม่มีการแทงตลอดอริยสัจ ความเป็นสมณะคือพระโสดาบันพระสกท า, าคามีพระอนาคามีและพระอราหันต์จะหาได้จากที่ไหนเพราะฉะนั้นลัทธิที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดไม่มีพระโสดาบันพระสกท า, าคามีพระอนาคามีและพระอราหารรันต์สรุปว่าลัทธิอื่นว่างจากผู้ที่รู้ทั่วถึงในอริยสัจ